بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ر ب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا م ح م د و آ ل ه و ص ح ب ه أجمعين ر ض ي ت ب ا ل ل ه ر ب ا و ب ا إ س ل ا م د ي ن ا و َ ب م ح م د ر س و ل َ ه ا ل ل ه م ف ق ه ف ي ا ل د ي ن و ل م ُ ه ي ن Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปรานีจากลอสอุบาหานหัวตาอัลลประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรอานทุกๆ ท, ท่านนะครับอัล <c> ฮ <oughs> ัมดุลิลละวันนี้ก็มากัน อุณนาฝาข้างเลยหลายคนเต็มเต็มพื้นที่นะครับทำ ด, ดีละแล้วก็นำนาเรียนกับพี่น้องสนิดหนึ่นงวันนี้เสียงผมอาจจะไม่ไม่ปกติเท่าไรนะไม่ค่อยสบายด้วยคนถ่ายเขาไม่สบายกลัวเขาเหงาไม่สบายตามเขาด้วยทำ ด, ดีละแล้ววันนี้งานอย่างเยอะ อ่ะเดี๋ยวเราช่วงเช้านี่เราใช้สายนี่เราเรียนกุรอ่านกันก่อนนะครับอยู่ที่อายะหนึ่งรอหนึ่งุอันนิซาซุรออันนิซาอายะที่หนึ่งอหนึ่งว่าอีดรับตุมฟิลอร์ด เราต้องดิฟัดิฮะก่อนนะครับอ้างุบิลล ح ฮิมินัชชัยนิรมบิสมิลลาฮิร الحمد لله رب العالمين อ r r a h m a มาน r a h i ร m ฮ l ม k ัลกียามิดดินอ k a Na'budu Wa ว y าอียาคานสต ดินาสิรัต์อัลมุสตักิมซิรัต์อัลลา ل ีนาอันงามต์ عليهم ไม่ผิดที่เราต้องการ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ من الرجيم وإذا ضربتم في الأرض ف ل ي س عليكم ج ن ا ح وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ ف َ ل َ ي َ س ع َ ل َ ي ْ ك ُ م ْ جُنَاهٌ أ َ ن ت َ ق َ ص ُ و ر مِنَ الصَّلَاةِ تَقَصُّرُونَ อัลต ص ากซูรุมินัสซาเลติอินขิฟตุมอียั ك ตินกุมุลลาฎกัฟาร อินคิฟตุมไอยยัฟตินักุมุลลาฎีนานกุาฎฟารูอ่าตรงไอนะนูนตายพบยานะครับอย่าลืมหน่งเสียงนะอิดะกอมมาอันกุล น, นะ af, อัยยัฟอัยยัฟเนี่ย อินขิฟตุมอัยยัฟตินักอุมุลลาُีนักกัฟารุอินขิฟ ا ุมอัยยัฟ ك َนักอุมุลลَฎีนักกัฟารุอินนักกัฟฟิรีนักนูละกุมอดูอัมบีนา รอบนึ่งนะอินนัลกฟิรนะนูเกุมอาดูมมูบีนอินนัลกฟิรนะูลกุมอาดูวมมูบีนอ่ะมาดูความหมายนะครับนะเดี๋ยว มันจะมีอีกช่วงหนึ่งอายะที่202เนี่ยจะเป็นอายะที่ยาวนะครับ201นเนี่ยเป็นอายะที่กระชับหน่อยไม่ยาวมาก2บรรทัดนิดๆ น, น, นะครับพูดถึงเรื่องอะไรว่าอีเดอรอบัตุมคำว่าดอร์ตรงตรงนี้ตีตีตรงนี้แปลว่าเดินนะย่ำอ่าเมื่อพวกท่านเนี่ยเดินทาง เห็นหดอรอบตรงนี้ไม่ได้แปลว่าซาาแปลความหมายคือซาฟารแปลว่าการเดินทางเมื่อพวกท่านเนี่ยเดินทางเมื่อพวกเจ้าเนี่ยเดินทางไปบนหน้าแผ่นดินฟินอารตตรงนี้ไม่ใช่ในดินถ้าในดินเนี่เราน่าจะเป็นพวกตุนขุดดินใช่มเออแต่นี่เราอยู่บนหน้าแผ่นดินตรงนี้ก็คืออ า, าลัลารความหมายก็คือบนแผ่นดิน เมื่อเราเดินทางไปในแผ่นดินหรือบนแผ่นดินเนี่ยฝ่ายไอซาไอกลุลก่มจูนะก็ไม่มีบาปใดๆแก่พวกเจ้าเรื่องอะไรอันตาเกาะสูรูในการย่อละหมาดตาเกาะสูรูแปลว่าย่อละหมาดมีนัสโซลาจากการละหมาดถ้าเราฟังแบบนี้ปั๊บเนี่ยเราก็ต้องถามต่อว่าแลที่ย่อเนี่ย ย่อเวลาไหนอ่าไม่ใช่ว่าห้าเวลานี่ย่อหมดเลยอ่าซูโบโกันเหลือหนึ่งมะกะเดบล็อกอาร์ครึ่งย่อยามกันนะกะขึ้นไม่รู้อแล้วก็สี่ล็อกอาร์เหลือสอง่าที่ย่อดได้เนี่ยเฉพาะที่เป็นสี่ล็อกอาร์ก็คือสามเวลาละหมาดละหมาดบายละหมาดซุฮอละหมาดอัซัดและก็ละหมาดอิชาหรืออิซอนะได้แค่นี้ที่เหลือนี่ต้องละหมาดเต็ม และเงื่อนไขของการที่จะย่อดได้เนี่ยจะต้องเป็นเรื่องของการเดินทางเท่านั้นถ้าเป็นเรื่องอื่นเนี่ยย่อไม่ได้อ่าเป็นเรื่องเดินทางเท่านั้นนะครับอินคิฟตุมอันตัฟตีนากูมุลและดีนกาฟรูหากพวกเจ้าเนี่ยกลัวบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะข่มเหงรังแกเจ้าตรงนี้แหละที่ปาดเห็นต่างกันว่าและถุกวันนี้เนี่ยที่เราย่อละหมาด ก, กันเนี่ย เรากลัวคนที่ไม่ใช่มุสลิมหรือคนที่เป็นศัตรูเนี่ยจะข่มเหงเปล่าก็ไม่มีเพราะว่าทุกวันนี้ปลอดภัยหมดแล้วเออแต่ทำไมยังย่อดได้เดี๋ยวมีคำตอบนะอินนั่กแกฟีรี่นะแกนูละกุ้มอาดูวมูบีนาะอัลลอฮ์บอกว่ า, าวแท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัตนั้นเคยเป็นศัตรูอันชัดเจนแกพวกเจ้ามาก่อนนะเคยเป็นศัตรูแกพวกเจ้าบทบัญญัติตรงนี้การละหมาดยอ่อ นะครับปราดเนี่ยรวมเอาไว้20่สบทศนะโอ้โหเยอะมากนะในสีฟิก ค, คุศุนนะเนี่ยรวมทัศนะการย่ อ, อไว้เนี่ยสถ้าเป็นหลักๆเลยก็จะแบ่งออกเป็นสองทศนะใหญ่ๆนะทศนะแรกนะในมัสรับขออิมอามอัตเนี่ยบอกว่าจะนับว่าเป็นการเดินทางไกลเนี่ยต้องมีระยะ เวลาในการเดินทางเนี่ยสามวันไอ้ประเภทไปเช้าเย็นกลับเนี่ยไ ม, ไม่ได้ไม่ได้ต้องเดินทางไกลก็คือต้องไปเนี่ยสามวันกว่าจะกลับมาบ้านเนี่ยก็ต้องไกลพราสมควรแหละสามวันเนี่นะอแต่อย่างที่บ้านเดี๋ยวเนี้เครื่องบินเนี่ยไปเช้าเย็นกลับได้แล้วนะออกแต่เช้าตีห้าเนี่ยขึ้นไฟไปไปทำทัวร์ไฟสุดท้ายเย็นๆขึ้นเครื่องบินกลับมาอยู่บ้านอีกแล้วนะ เห็นไหมไปหัดยายนุ่นคือเดี๋ยวนี้มันมันมันไวมากเป็นพันกิโลใช้เวลาชั่วโมงเดียวไปซาอุดี้นมกรเขาไปกันเป็นเป็นเดือนสองเดือนสเดือนนั่งเรือไฮยิงไปเนี่ยเดี๋ยวนี้ไปเจ็ดแปดชั่วโมงเรารถติดอยู่ในกรุงเทพปพอรกันนีบางทีฝนตกตกรถติดกว่าจะถึงบ้านเนี่ยขับรถไปเชียงใหม่ไกลกว่าคนนั่งเครื่องบินไปนานกว่าคนนั่งเครื่องบินไปซาอุดีอาระเบียขับรถไปเชียงใหม่11กิโล ได้11ชั่วโมงขอโทษทีม10กิโลกีดีมาก <laughs> 11ชั่วโมง18ชั่วโมงนะอันนี้เพไม่เคยนั่งะนะ <laughs> เขาว่าเป็นเป็น10ชั่วโมงแหละอันที่2เนี่ยในทัศนะของยุมฮูดบอกว่าเอาระยะ2มะาตรฐานแล้วนะก็คือ89กิโลคราวนี้เราก็จับไปสิไอ้ที่เราไปเนี่ยสมมติเราจะไปแถวหนองจอกมันได้ไม่89กิโล ถ้ายังไม่ถึงนะอันนี้ก็ถือว่ายังยอ่อไม่ได้ต้องละหมาดเต็มอยู่แตนะถ้าเราจับใจตรงนี้ไปไปพัทยาโอ้พัทยานี่สองร้อยกิโลได้แล้วยอ่อได้แล้วอา้าวชนบุรีมันได้ไม่เก้าสิบกิโลอา้าวไ ด, ไดว้ได้แล้วย่อได้แล้วนะอันนี้เขาเอาระยะทางเป็นหลักนะครับส่วนน้อยสุดของการยอร่อเนี่ยนะ ในทศนษณะนี้ก็คือหกกิโลห้าถึงหกกิโลเนี่ยก็ย่อได้แล้วอ่จึงไม่แปลกว่าบางคนเนี่ยขับรถข้ามเขตนน้องจอบไปเข้าคลองมาไม่ได้ไม่ประมาณไม่ถึงสิบกิโลโดยซ้ำย่อแล้วเออถ้าเขายึดทศนษณะนี้ก็ไม่ว่ากันถ้าสบายใจเอาเลยนะรถไปบรรยายแถวฝั่งทนได้แล้วย่อได้ละเออ ก็แล้วแต่แต่ว่าทศนา this ไม่เป็นที่ยอมรับเท่าไรแต่ก็มีคนทำแค่ข้ามจังหวัดห้ากิโลเอาเลยก็ไม่ผิดกันเนี่ยถามว่าส บ, บายใจไหมล่ะเธอส บ, บายใจกอาเหตุที่ที่มันมีเห็นต่างกันตรงนี้เพราะว่าอะไร <c oughs> รู้ไหมพี่น้องเพราะว่า <c oughs> นบีไม่ได้บอกกิโลแต่บอกเมือง <c oughs> มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยอิมนุอับบาสบอกว่ามีคนถามว่าถ้าฉันไปที่เมืองเนี้ย ย่อได้ไหมอินโนบ้าบอกเมืองนี้ยังย่อไม่ได้เมืองนี้ย่อไม่ได้แล้วถ้าเกิดฉันเดินทางไปอีกเมืองนึงแหละที่เมืองถัดจากนี้ไปอ๋อเมืองนี้ย่อได้แล้วก็มีคนไปถามไราอนโนบ้าใช้อะไรเป็นตัววัดเมืองนี้ย่อได้เมืองนี้ย่อไม่ได้ก็เอาระยะทางไปคํานวณดูมันคือสเอ่อสี่บาริทด้วยกันเป็นหน่วยวัดสมัยก่อนนะสี่บาริทก็คือระยะทางเนี่ยหนึ่งบาริทเท่ากับสี่ฟาซักหนึ่งฟาซักเท่ากับสามไม้ นะระยะทางเท่ากับ48ไมล์หรือ89กิโลเขาก็เอาตรงนี้แหละมาเป็นการออกขูกลมว่า89กิโลคือระยะทางที่อนุญาตให้ย่อดได้นะอ่า น, นี้ก็แล้วแต่เลยใครจะเอา5กิโล6กิโลข้ามข้ามเมืองข้ามจังหวัดเอายอ่อหรือใครจะเอาจํานวนที่8 89เป็นหลักเอาไว้ยอ่อหรือใครจะเอา3วันอ่าแต่มุมตรงนี้ถ้าเกิดเราละหมาดเต็มถามว่าละหมาดใช้ได้ไหม สมมติฉันไม่ย่อเลยฉันไปขับรถไปหัดใหญ่ละมาดเต็มตลอดเลยได้ไหมได้ก็ไม่ผิดอะไรละมาเต็มก็ไม่ได้ผิดแต่ไม่ได้ซุนนะก็คือไม่ได้แบบฉบับของท่านนบีแต่ไม่ได้หมายความว่าคนละมาดเต็มเนี่ยละมาไม่ซ้อไอ้นี่ละมาดไม่ใช่ไม่ได้ไอ้นี่เลวจังเลยละมาไม่ใช่เขาก็ละมาดเต็มเขาถือว่าใช้ได้นะแต่ดีกว่าคือการละมาดย่อเพราะในหะดิษนบีใช้คําว่าฮาดียะ มันคือของขวัญของกำนันคำถามว่าถ้าเราไม่รับของกองกำนันเนี่ยได้ไหมก็ได้ทำไมอ่ะเป็นสิทธิของเราเราไม่รับก็ได้แต่รับดีกว่าเอ่ออ่ะต่อมามามาดูเร <tte> <Rab at bury> ื่องที่บอกว่าหากพเจ้ากลัวผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยข่มเหงดังแก่เจ้าเนี่ยตรงนี้เนี่ยพี่น้องครับอิมมอห h m a ได้รายงานเอาไว้จากอิบนูอุมัยยะ มาถามท่านอุมัดอิบนุอตอปโรเดียนโลออันฮูโดยบอกว่าอายะคุรอานที่บอกว่าฝรั่งูนะฮะอ่านลากุ๊บป่ะฝลั่อีสาลากุมจุนะไม่มีบาปใดๆแก่พวกเจ้าในการอันตะกัสูรูมีนัสซาลาในการย่อละหมาดอินคิฟตุมอันอ ย, ยัฟตีนักุมุลและดีนกาฟารูหากว่าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานเนี่ยมาข่มเหงทางแก่พวกเจ้าและความจริงแล้วเนี่ยณปัจจุบันหลังจากที่นบีพิชิตมักาแล้วเนี่ย พวกมุสลิมไม่มีอำนาจเลยแล้วอยู่ใต้การปกครองของมุสลิมต้องจ่ายภาษีด้วยซ้ําความปลอดภัยเกิดขึ้นระหว่างพวกเราแล้วเราเนี่ยการเดินทางเนี่ยไม่มีศัตรูเลยแล้วเพราะศัตรูต่างๆเนี่ยอยู่ใต้การปกครองของอาณาจักรอิสลามแล้วเนี่ยอย่างนี้พวกเราก็ย่อละมายก็ไม่ได้แล้วสิอุมัยยะชื่อว่าอุม อ, อิบนูมัยยะมาถามอิบนูท่านอับดุลท่านอุมัยบินคอตตอบก็ตอบบอกว่า ฉันเคยถามท่านรอซูลคําถามที่ท่านถามฉันเนี่ยฉันก็เคยไปถามกับท่านรอซูลเหมือนกันว่าตอนนี้จะย่อดได้ไหมไม่ใช่แค่ท่านคนเดียวเป็นคนถามนะฉันเนี่ยแหละถามมาก่อนแล้วนะนบีบอกวา่าซอดาร์กอตุนต่ซอดารกอลลอบีฮาอเลกุมการย่อละหมาเดเนี่ยมันเป็นเสมือนซอดาร์กอที่อัลลอฮ์เนี่ยให้กับพวกท่านมันคือการที่อัลบีอัลลอฮ์เนี่ยอนุญาตให้กับพวกท่านนะ ฟากฟกอบาลูโซดากอจ่าหูดังนั้นพระเจ้าจงรับโซดากอตรงนี้เอาไว้รับการบริจาคที่อัลลอฮ์ให้กับพวกท่านเอาไว้ดังนั้นจะอยู่ในอยู่ในสภาพของหวาดกลัวหรืออยู่ในสภาพของมีศัตรูก็ย่อดได้หรือไม่มีก็ย่อดได้ไม่เกี่ยวกันนะครับ mm hmm. และอีกหมดอีกอันนึงเนี่ยที่ปานเขาอธิบายก็เพราะว่าทําไมอัลลอฮ์ถึงพูดถึงศัตรูเพราะในขณะนั้นเนี่ยในบริบท ของการเดินทางในสมัยก่อนเนี่ยยังเต็มไปด้วยกับอันตรายของคนที่คิดปองร้ายกับศาสนาอิสลามจึงเอามากล่าวเอาไว้นะว่าทำไมถ้าถ้ามันเหนื่อยยังไม่พอมันต้องใช้เวลาที่กระชับด้วยจะยืนละหมาดกันอานานๆพวกศัตรูมาจับได้บุกอีกอะไรอีกก็ใช้เวลาแบบกระชับสองจากสีก็เหลือสองนะอะไรที่เป็นสุนัตรอวาติปไปไงตัดทิ้งหมด วไว้ก่อนวีรงวินิดไม่มีแล้วพอให้สลามปั๊บก็ไปขึ้นเดินทางต่อไอทีจะมานั่งนั่งมูชาวาร์ ก, กันต่อนั่งไม่มีแล้วเพราะนี่ช่วงของการเดินทางก็คือเป็นช่วงที่ใช้เวลาให้สั้นที่สุดสลแล้วก็เนเพรพวะสงครามเดี๋ยวอายะต่อม า, เ, อาเดี๋ยวจะพูดถึงพะยะสงครามต่อมาอะนะครับสรุปก็คือย่อได้เฉพาะที่เป็นสีนะ อ่าสามยอ่อไม่ได้สองยอ่อไม่ได้แล้วเราวาติปตัดออกหมดแต่จะมีเฉพาะก่อนซูโบเท่านั้นแหละที่ให้ทําที่เหลือไม่มีแล้วอ่าบางคนนี่เดินทางยอ่อด้วยเจะเอาโราวาติปด้วยแม่เอาเอาครบ <c oughs> ฉันก็เอาสุนทร น, นะยอ่อแล้วฉันก็เอาเอาท้ายเอาหน้าด้วยเออมันก็ยุ่งเลยพี่น้องมันก็จะงงๆโตลงขนาดฟัดดูยังเหลือสองนี่เก็บสุนทรอีกต่างหาก <c oughs> เออแต่ถ้าเป็นดูฮานไม่มีปัญหานะ ถ้าเดินทางละหมาดดูฮายได้เลยไม่มีปัญหาถ้าเดินทางละหมาดกียรมุม่นเลนวีเต็ได้แต่ที่เป็นโรวารติปเนี่ยจะมีเฉพาะก่อนซูโบ๒รัรกะถ้าเดินทางนะครับอดี้อัลลอฮ์ Allah เป็นของขวัญให้แต่ไม่ได้ศูญเปล่านะอัลลอฮ์บันทึกผละบุญให้หมดแหละนะครับสีก็ได้เหมือนอสองก็ได้เหมือนสี่เลยแล้วก็ได้มากกว่าด้วยเพราะว่าเรานั้นทําตามแบบฉบับที่นบีทําเอาไว้เป็นการน้อมรับในเนื้มัดของอัลลอฮ์ที่ที่ให้กับเรา อ่ะผ่อนปลนให้นะแต่ก็ไม่ก็ไม่ว่าคนที่เขาไม่ไม่ย่ อ, อ ก, ก็ไม่ว่ากันนะก็แล้วแต่เขาแต่ย่อดีกว่าอ่ะต่อมาครับหนึ่งร้อยสองหนึ่งร้อยสองนะอืม وإذا كنت فيهم ف ا ق فاقم تلهو مصلا و إذا كنت فيهم فاقم تلهو مصلا و إذا كنت فيهم ف َ أ َ ق م ت َ لَهُ م ُ ص ل َ ح و َ إ َِ ا ك ُ ن ْ ت فِيهِمْ ف َ أ َ ق م ت َ لَهُ م ُ ص ل َ ح ا فَلْتَكُمْ ق َ م อิฟตุมมินหุมมาอากาวล์ยาคุดุอัลลิฮะท่าหุมวัลยา นะไมเชตะนะวันยะคูดูตัวยาอีกรอบนึ่งเฟลเตกุมโตอีเฟตุมินหุมเอนกเวลยะคูดูอาสลิฮะทุม และจสัจดูฟัลย์จะคุณุมิอุอาราอิกุมไอ้รอบนึงนะฟ فإذا سجدوا ف َ ل يكونوا مورايكم ไม่เป็นไรจ้ะ ใจเย็นนะมันยาวเออมันยาวมาอักแล้วกันนะมาอักมาเอกตรงนี้ฟัลนี้ yes ฟังยูซัลลูมาเอกตรงนี้วัลตะติโตอีเฟตุนอุขรอลัมยูซัลลูฟังยูซัลลูมาเอก อยู่ตรงนี้นะมาแอตัวกาฟอีรอบหนึ่งเวลเตตตออีฟตุนอัคราลัมยุสลูฟัลยุสลูมแอ วัลย์ขุดูวัลย์ขุดูหิดราหุมแะอสลิฮะท่าหุมอรอบนึงนะวัลยุูหิราหุมะอสลิฮหุม An s i l a tahukum. w a d a l l a d i n a kafirulautafuluna an aslihatikum. w a d a l l a d i n a k a f i r u l a u t a f u l u n อ่าดีมากนะครับตรงตัวกรีนอ่านยากนิดนึงเอเตอเตออ่าตอนแรกเราเห็นเออตัวอะไรตัวกอฟหรือตัวอ่าตัวฟานะครับอ่าดูให้ดีตรงนี้เป็นตัวกรีนนะครับตัวก็ก็อ่านว่าเตอเตอฟูลูน่ะเราเตอฟูลูน่ะเห็นไหมอ่าอีกรอบนึงว่า ดั่ลนักฟารุเลวทั่ฟูลนันอสลิฮะทิคุม ว่าอَ ت ต ك อติ ف ุมَ م ม ي ลُ و ن َ عليكم ไม่ละตัวหนึ่งไอรอบหนึ่ง แล م อัมตี م า ي ิคุมฟะยามีลูน่าไอกุมไมล จُ ن َ ا ح ะ عليكم إن كان بكم أذم من مطر แََ้จะน้ำพะ عليكم إن كان بكم أذم من مطر อ م อีกรอบหนึ่ง ว لا جناح عليكم إن كان بكم أذم من مطر أو قطم อเอากรุตุมมารุ่อุนกับาอัสิพะตะกมโอดีมากครับอีกรอบหนึ่งนะเอากุุตุมมารุ่ أو أسلحتكم، أو نرجو أن كفوا أسلحتكم، وخذوا ح ذ ر ك م อินนั่ลลอฮะอัตตะอัดลิลฟรอัดบมุฮิอรอบนนะ อินนัลลอฮะอัะลิฟรนาอบมูฮีนาอินนัลลอฮะอัะลิฟรนาอบมูฮีนาอ่ามาดูความหมายนะครับ อยายะนี้พูดถึงการละหมาดในสภาพความหวาดกลัวโซเลตุนโซลตุนโคฟนะคำว่าเขาแปลว่าหวาดกลัวตรงนี้ก็คือเรื่องของการทำสงครามซึ่งถูกกาวไว้ในหนังสือฟิกทุกเล่มวิธีการละหมาดแต่พอพูดถึงทฤษฎีการปฏิบัติจริงเราจะได้ทำไม่ล่ะเออ มันยิ่งกว่าอ้ละหมาดจันตะฆ่าสุยะฆ่าดีนะอันนั้นยังมีโอกาสได้ทําอ่าหรืออันนึงเนี่ยบ้านเราก็ยังไม่น่าจะมีใครได้ทําละหมาดขอฝนเพราะว่าฝนส่วนใหญ่จะฝนจะตกเยอะแต่ในอาหรับเนี่ยการละหมาดขอฝนเนี่ยเขาก็ยังคงปฏิบัติอยู่โดยเฉพาะในประเทศซาอุดีอาระเบียที่ปัจจุบันเนี่ยฝนไม่ตกเข้าไม่เดือดร้อนหรอกเพราะว่าเขามีการผันน้ําทะเลเนี่ยมา กันเป็นน้ำจืดแต่เมื่อฝนไม่ตกเราก็สามารถจะละหมาดได้เป็นการรักษาไว้แต่เนี้ยจะละหมาดได้เนี่ยจะต้องมีภาวะสงครามแสดงว่าคนที่จะต้องเรียนเรื่องเนี่ยก็คือคนที่เป็นทหารเนี่ยคนที่ออกไปรบเหล่ามูฮจีมูฮะจรินมูจาฮีดีนขอโทษที่สลับกันแล้วจิฮาดมูจาฮิดีน คนที่ไปรบนี่แหละที่จะต้องเรียนรู้หลักการนี้ส่วนผู้หญิงไ ม, ม ไ, ไม่มีอยู่แล้วผู้หญิงจะไปรบอะไรแหมหรือผู้ชายโดยทั่วไปโดยปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้มีการ <c oughs> ไปทําการสู้รบแต่ถามว่าในมหาวิทยาลัยสอนไหมสอนแต่อาจารย์ก็ไม่ได้แบบเข้มงวดแกต้องลมานให้เป็นนะประมาณไม่เป็นแล้วก็ไม่ให้ผ่านขนาดนั้นก็คือสอนเป็นทฤษฎีเอาไว้ว่าขนาดรบเนี่ย <c oughs> ยังต้องละหมาดเลย แล้วนับภาษาอะไรกับตอนที่ไม่ได้ทําไมาสบายๆเนี่ยไม่รบแล้วยังไม่ละหมาดความจริงในะขณะรบนี่มันไม่ต้องแล่โอ้โหศัตรูจะยิงมันจะยิงไอ้ลูกธนูมาเมื่อไรมันจะบุกเข้าเมืองเมื่อไรยังต้องละหมาดนะแล้วนับภาษาอะไรกับภาวะปัจจุบันนี้ที่มันไม่ได้มีอะไรเลยแล้วเราไม่ละหมาดนะนี่นี่ก็เป็นการบ่งชี้ว่าความสําคัญการละหมาดอมาดูนะทีรวัตร ไว้แต่กุนแต่ฟีหิมและเมื่อเจ้าเนี่ยอยู่ในหมู่พวกเขาอยู่ในหมู่พวกเขาเนี่ยก็รวมถึงตอนที่ไปรบไปรบหมายถึงว่ารบสู้กันเลยนะหรือถูกล้อมเอาไว้ถูกศัตรูมาล้อมเอาไว้เนี่ยก็สามารถจะละหมาดแบบนี้ได้เพราะไม่รู้มันจะบุกเข้ามาเมื่อไหร่หรือการตั้งค่ายประจันบานกันอยู่ประจันหน้ากันอยู่นะ พวกเจ้าอาลัลลอฮ์บะะอกว่าฟาอะกอมตาลาหูมุสซาลาพวกเจ้าและเจ้าได้ให้มีการละหมาดขึ้นนะและเจ้าได้ให้มีการละหมาดขึ้นแก่เจ้านะและก็ให้ขอโทษดิและก็ให้มีการละหมาดขึ้นแก่แก่พวกเขานะแก่พวกเขาเฟ้นตาคุ้มตออีฟะตุนมินหุมมาค์ดังนั้นกลุ่มหนึ่งคำว่าตออีฟะนี่แปลว่ากลุ่มหนึ่ง จากพวกเขาก็ยืนละหมาด ร, ร่วมกับพวกเจ้าวเนยะฮูด ah um ูอัสลีฮะตาฮุมและพวกเขาจงเอาอาวุธของพวกเขาถือไว้ด้วยคือการละหมาดเนี่ยมันจะเหลืออยู่สองรอกะอะนะครับในภาวะสงครามเนี่ยย่อเลยนะเหลือสองคนที่เป็นอิหมัมนํำละหมาดเนี่ยจะนำละหมาดหนึ่งรอกะอะหนึ่งรอกะอะในซอบแรกส่วนซอบที่สองเนี่ยจะยืนเฉยเฉยตั้งเบ็ดพร้อมกัน เข้าละหมาดพร้อมกันจะนำละหมาดซอบแรกก่อนพอซอบแรกละหมาดเชบหลังเนี่ยถืออาวุธเอาไว้คอยมองดูต้องมองด้วยนะว่ามันจะมีศัตรูมาบุกแถวแรกกละหมาดไปพอแถวแรกละหมาดเสร็จอิหมามขึ้นมายืนแถวหลังถึงละหมาดสลับกันแต่ละหมาดเองละหมาดเองไม่ต่ออิหมามยืนค้างไว้ก่อนแล้วก็ละหมาดเองนะแล้วก็รอ รอยีกแล้วก็ค่อยอีกแถวหนึ่งคอยมาละหมาดแปลว่าแต่ละแถวจะได้ละหมาดพร้อมกก่อิมัมแค่คนละหนึ่งรอกะอ่ะเนี่ยมันจะเป็นภาพแบบเนี้ยจะละหมาดไก่อิมัมแค่แถวละหนึ่งแล้วก็ละหมาดเองหนึ่งรอกะอ่ะเพราะแต่ละแถวตอนที่ตอนที่ละหมาดไก่อิมัมเนี่ยก็คือจะต้องยืนเฝ้าเพื่อนถืออาวุธเอาไว้คอยระวังอ่าอันนี้ไปหาคลิปดูได้ใน ในประเทศอโดดีเซียเขาทํามาไว้ดีมากในอาหรับก็มีเป็นทหารพานเลยนะใส่ชุดแบบใส่ทหารแล้วถือปืนนะนี่ใช้ปืนละเพราะว่าสมองเมื่ก่อนเป็นดาบแต่วิ่งก็ใช้ปืนถือปืนนี้เลยปืนในถืองี้เลยไอ้เดินกนารละหมาดไปนะแล้วก็มันก็จะทุลักทุเลหน่อยแหละคอมแบทเอยปืนเอยอะไรเอ้ยระเบิดคือ <c oughs> ละหมาดนะหนึ่งร้อก็อ่ะนะแต่ว่าต้องมีคนเฝ้าอันเนี้บ่งชี้ให้เห็นว่านี่คือความความสําคัญของการละหมาดจะมาอะ ขณะสงคำยังต้องมี ม, ม, ล ม, ล ม, มำละมาดเลยอีมำนำละมาดแต่นำคนลนหนึ่งรอกะและสุดท้ายก็สลามพร้อมกันนะครับอ่ะต่อนี่ฟานเยกูนูมินวารออีกุ้มไฟอิดะซะจัดูอ่าเมื่อกี้ถึงอาวุ่นเลยครั้งเมื่อพวกเขาก้มลงกราบไฟอิดาซะจัดูฟานเยกูนูมินวารออีกุม้มพวกเขาก็จงไปอยู่เบื้องหลังของพวกเจ้า นะพวกขาวก็จงไปอยู่เพื่อหลังของพวกเจ้าวันตะตีตออิฟตุนอุครอและอีกกลุ่มหนึง่งที่ยังไม่ได้ละหมาดก็มาละหมาดอ่าสลับกันอีกฝั่งหนึ่งก็ดูต่อนะฟันยูซอลูมาร์มาละหมาดพร้อมอยู่รวมอยู่กับเจ้าวันยาะูดูฮิดราหุมวะวาอัสลิฮาตาหุม และพวกเขาจงระมัดระวังพร้อมอาวุธของพวกเข า, าว่าอวัดดัลลดีนะกะฟารูลอตัรฟูลูนะอันอัลลิฮะติกุมบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นหากว่าพวกเจ้าเผลอจากอาวุธหมายความว่าถ้าไม่มีอาวุธอยู่ด้วยอยู่ข้างกายด้วยเนี่ย แล้วเกิดเผอขึ้นมาเนี่ยและสัมภาระของพวกเจ้าแล้วเนี่ยเขาก็จะจู่โจมเต้าอย่างรวดเร็วอ่าดังนั้นการละหมาดนี้ศา ส, สนากำหนดเลยว่าจองพกอาวุธไว้ด้วยพูดง่ายๆว่าระบงระเบิเดเนี่ยอยู่พร้อมอืมเพราะอาจจะเป็นช่องทางให้คนที่เป็นศัตรูเนี่ยโจมตีได้อ่าเอาต่อมาอาลัลลบอกต่อว่า ว่าอัติอาติกุมเยมีโลนอะไรกุมไม่ละเตาวาหิดจุาหกุ้มแลก็ไม่มีบาปใดๆแก่พระเจ้านะและไม่มีบาปใดๆแก่พระเจ้าอิงกานะบีกุมอาจจะมไม่ว่าจะเป็นเนื่องจากฝนตก ความเดือดความมันเดือดร้อนจากการฝนตกหรือล้มป่วยในการที่พระเจ้าจะวางอาวุธของพระเจ้าแต่ก็จงระมัดระวังอ่าถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าจะถืออาวุธออกไปฝนมันตกอ้าวอย่างนี้เดี๋ยวดาบขึ้นสนิมอ่ะเดี๋ยวดาบขึ้นสนิมหรือป่วยอยู่จะให้มาถืออาวุธด้วยละไมไปด้วยโอ้โหไม่ไหวแล้วบาทเจ็บอันนี้ก็ไม่ว่ากันเห็นไหแต่ถ้าโดยภาวะปกติยังแข็งแรงอยู่อาวุธต้องไปไง ติดตัวอยู่เสมอนี่ละเอียดมากเลยนะอันตะดออัสลิฮาตะกุมวะคูรูไฮโซรอกุมแต่ที่สำคัญก็คือว่าพวกเจ้าจะต้องระมัดระวังอไม่ใช่ว่าโอ้ยเราละหมาดอยู่ยังไงมันก็ไม่กล้ามาหรอกใครบอกเออก็ศั <c oughs> <c oughs> ตรูมันพร้อมอยู่แล้วมันไปสนหรอกเราจะละมงละหมาดอยู่นะ ดังนั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่าฟอฮูฟฮอรูดูให้ระคุ่มให้ระมัดระวังโดยเฉพาะตอนละ ม, มานั่นแหละแน่นอนอัลลอฮ์ช่วยเหลือมีปัญหาเราอัลลอฮ์ช่วยเหลือแต่ก็ต้องระ ม, มรัดระวังตัวด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่ใส่กงใส่เกาะแล้วไม่ต้องถืออะไรแล้วประมาทเล่เล่ออันนี้ไม่ใช่อิสล า, ามเราเนี่ยสอนให้เรามีสตินะครับแล้วก็เตรียมตัวเตรียมพร้อมให้ระมรัดระวงัง นะบางคนบอกอาจารย์เนี่ยเราตะวะ ก, กันก็พอแล้วแล้วทําไมเอาล่อให้พกอาวุธตลอดเลยละ่ะตอนละหมาดแต่ต ะ, ตะวะ ก, กันละหมาดก็ไม่ต้องอเลอแต่ในทางกับการเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่านาบีก็ระวังมากเรื่องอาวุธนบีบอกคนหนึ่งคนใดเนี่ยอย่าได้ชี้อาวุธไปหาพี่น้องของเขาของมีคมเนี่ยอย่าเล่นกันนะบางคนเนี่ยเล่นเล่นกันอยู่ยื่นมีดเล่นอนะ่ใช้ตอนผักฝับเข้าไปไม่ได้ อย่าได้ยื่นปลายอาวุธหรือสิ่งที่เป็นอันตรายให้กับพี่น้องอใครจะพกธนูไปไหนมาไหนอย่าลืมในการห่อหุ้มตัวหั ว, หวของธนูเพราะไม่งั้นมันอาจจะไปเกี่ยวไปบาดคนได้เนี่ยนบีสอนไว้สวยงามหมดจะพกดาบดาบก็ต้องอยู่ในฝักเรียบร้อยไม่ใช่พกไปเดินไปปุ๊บไอ้นั่นโดนมีดบาดไปแล้วเดินผ่านเราเอออันนี้ไม่ไม่ได้อันตรายแต่การพกอาวุธเนี่ยเป็นการ เตรียมพร้อมในการที่จะกระโจนเข้าสู่การยีฮัสเพื่อปกป้องอิสลามในภาวะหนึ่งที่สมัยก่อนศัตรูเนี่ยมันอาจจะเป็นไส้ศึกเป็นยาสูดเป็นไส้ศึกปลอมตัวมาก็ได้นะหรือมีเหตุอย่างกรณีของท่านอุมัตนะท่านอุมัตเนี่ยตอนที่โดนรอบฆ่าเนี่ยกว่าจะจับได้นโดนแทงไปเพียบเลยนะประมาณ 2- อสาคนตายในนั้นนะประมาณ5้าหคนได้แต่ด้วยความไวพิบของซาอุบ้าคนหนึ่งเนี่ยมีเสื้อคุม ก็ไปละหมาดไม่มีอาวุธอยู่แล้วไปละหมาดซบโบก็เอาเสื้อคุมเนี่ยโยนโยนใส่พอโยนใส่เป็ดเป็นไงไอเสื้อมันก็ไปไปไปไปไปไปหุ้มไปหอ่อก็ขยับคยื่นไม่ได้ก็โดนจับได้แตไ่ไอคนรอบข้าเนี่ยอบูลุลุมันใจมันถึงดีมันก็เอากรดของมันที่แทงคนอื่นเขานี่แหละปาดคอตัวเองตายตอนนั้นเลยเพราะยังไงมันก็ถูกประหารอยู่แล้ว มันก็ปาดคอเลยนะอ่าก็นี่ไหวพริบแต่ว่าไม่มีอาวุธหรอกไปสุราตอนนั้นน่ย ม, มีอาวุธเพราะว่าตอนนั้นบ้านเมืองสงบแล้วนะแต่ในสมัยก่อนที่มันยังมีศัตรตูอยู่เนี่ยนบีเตือนตลอดจะกลับไปบ้านในสมัยสงครามคอนดักมีซอบ้าคนหนึงคิดถึงภรรยามากเลยนะแต่งงานกันใหม่ๆนบีบอกให้ออกมารบก็ออกมาอยากกลับไปหาภรรยานาบีบอกไปได้แต่ต้องเตรียมอาวุธไปด้วยนะให้พกอาวุธไป แต่ไม่ไม่ไม่เจอไม่เจอศัตรูไม่เจอศัตรูครับแต่ไปเจองูอยู่ในบ้านงูตัวบเบอร์เลยงูสีดำน่ะก็สู้กันเงางูน่ะสุดท้ายก็ตายกันทั้งคู่เลยอืมแต่ภรรยาเนี่ยออกมานอกบ้านสามีก็ดุภรรยาทําไมออกมานอกบ้านฉันบอกให้อยู่ในบ้านบังเข้าไปดูสิตัวบเบอร์อะไรงูอ่าความมาถึงนบีนบีบอกว่าถ้าเจองูใหญ่ใหญ่เนี่ยให้คุยกับมันก่อนเพราะมันคือยิน และให้กําหนดมันกี่วันออกสมมติวันนี้ออกนะถ้าวันนี้ไม่ออกถึงฆ่ามันอย่าเพิ่งไปปืนถึงก็ฆ่าเลย้างงูใหญ่นะดูแล้วไม่ใช่งูปกติเขาเรียกงูงูยินสมัยก่อนเขาเรียกงูเลยงูเจ้าที่อะไรเงี้ยนะงูยินงูสีโดยเฉพาะสีดำเมื่อก่อนมีนะพวกพวกยินมันปลอมมาอันนี้นกไม่ใช่งูนี่นก <laughs> ก็เล่าให้วีน้องฟังว่านบีให้พกอาวุธตลอดนะแล้วก็ซอบาท่านเนี่ยสู้กับงูจนกระทั่งนั่นแหละตายกันพางไปแต่ว่าทายินน่ยเวลามันปลอมเป็นตัวอะไรแล้วมันตายมันตายจริงเลยนะอย่าเชือว่ามันเป็นงูแล้วมันโดนฆ่ามันก็ตายจริงอือันนี้อยู่ในในบันทึกของอิหมมุสลิมเรื่องงูที่เป็นยินนะฮะอินนัลลอฮ่อัลลอฮดัลินกาฟิรีนอาดาบัมมูฮีน่า แท้จริงอัลลอฮ์เตรียมไว้แล้วซึ่งการลงโทษที่ยังความอับปยุตแก่ผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายอ่ะมาดูคําอธิบายสักนิดหนึ่งการละหมาดในยามหวาดกลัวเนี่ยมีหลายชนิดครับเพราะศัตรูนั้นบางครั้งก็อาจจะอยู่ในทิศทิศอื่นคือถ้าอยู่ทิศกิบบะละก็ง่ายก็หันหน้าไปทางกิบบะลแต่ถ้าอยู่ทิศอื่นเนี่ยเราต้องละหมาดหันมาที่กิบบะละแปะไว้ศัตรูอยู่ข้างหลัง คนที่คอยระวังต้องหันกลับหลังไปการละหมาดบางปกติจะมีสี่รอกะอาเช่นดูรีอรัรรีและอิชาก็จะลดนะเหลือสองรอกะอาส่วนสามรอกะอาเช่นมกริบหรือสุบโบเนี่ยก็ละหมาดเหมือนเดิมนะครับละหมาดเหมือนเดิมบางครั้งก็แต่ว่าจะจะละหมาดกับอิหมั่มยังไงเนี่ยปัสลาวะตรงเนี้ย ต่มา ก, กริบเนี่ยมัสามรอกอาก็ทําเป็นสองมันอย่างละหนึ่งทว่าสามทำยังไงเขาบอกว่ามีกลุ่มหนึ่งได้สองกลุ่มหนึ่งได้หนึ่งอ่าก็ต้องเตียมกันว่าใครจะเอาสองใครจะเอาหนึ่งแต่ไม่เป็นไรได้จะมาทั้งคู่แปลว่าอีสองลอกอาเนี่ยให้เขาละหมาดไปเลยแล้วเราก็ฝ้าระวังและเสร็จแล้วก็เราก็ละหมาดคนเดียวสองลอกอาและอีหนึ่งล็อกอา ก, ก็สลับกันนะคราวนี้ในกรณีที่ประจันหน้ากันอันนี้ประจันหน้ากันแล้ว ก็ให้ต่างคนต่างละหมาดพออันนี้จู่โจมกันแล้วขี่มาสู้กันแล้วและไม่ต้องสนใจว่าจะหันหน้าไปทางไหนละหมาดได้เลยนะพาหนะมันจะวิ่งไปทางไหนก็ละหมาดได้เลยและอนุญาตให้เคลื่อนไหวไปด้วยไม่เป็นได้ปกติละหมาดนี่เราเดินไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้ต้องอยู่นิ่งๆแต่ละหมาดในขณะเดินทางตรงแต่ขอโทษในในขณะหวาดกวดสงครามตรงเนี้ยละหมาดไปด้วยฟันไปด้วยแทงไปด้วยนะ นะแล้วก็ปากก็กล่าวไปฟัดีฮะอ่านไปอ่ะรับดาบไป <c ười> คือละหมาดไปด้วยแล้วก็ต่อสู้ไปด้วยยากก็ยากแหละแต่คือให้ทําไงด้วยสั ญ, ญลักษณ์นี่เหมือนคนนอนพังงาบอะ่ะก็ให้กรลิปตาเอาอะ่ะก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันนี่ก็ฟันไปสู้ไปหูก็ฟังไปสู้ไปปากก็อ่านไปนิดเดียวแต่เหลือแค่รอกกระอัดเดียวแล้วนะ คือในในสมมติสมมุติเราเนี่ยสมมุติต่อสู้อยู่เนี่ยก็เท่ากับอา่านฟัดีฮะอ่าซูร์เราตัดไปไม่ต้องอ่านก็ได้อา่าฟัดีฮะเสร็จตอนลุกตอนตอนตอนลงไปดุ ก, กัวก็ซุบานรอบเบียนอาซีมอ่าสามีรอคุริมันทวมิดาปากนะว่าอย่างเดียวแหละท่าทางทําอะไรไม่ได้หรอกท่าทางก็ใช้เป็นสัญลักษณ์เอาแล้วก็อ่านอัตติยาให้สลามจบอืมก็เออไปถึงก้มขนาดนั้นถ้าก้มเนี่ยต้องรู้ว่าปลอดภัย โน้ตไปคือถ้ามุดไม่มีสตูถึงจะ ก, ก้มได้แต่ถ้ายังสู้อยู่ก้มไม่ได้นะ่ะนี่ก้มปับ๊บนี่ดาบเขานี่คือ <c oughs> <c oughs> ให้ทำอะ่ะไม่ยอมเล ย, ไ ม, ย, มเลยไม่ยอมเลยว่าเฮ้ยไม่ต้องทำให้ทำยังไงก็ได้คือทุกอย่างจะจะจ ะ, จะถูกยกเว้นหมดเช่นจะหันหน้าคิบลางไม่มีแล้วเดินละหมาดได้สู้ไปได้จับอาวุธได้ ออคือทุกอย่างที่แบบเป็นเงื่อนไขการละหมาดเนี่ยปล่อยหมดเลยไม่ต้องสนใจขอให้ทำแล้วกันแค่นั้นเองฟัิฮะก็อ่านไปปากอ่านไปคือมันมีอามันเดียวเลยนะพี่น้องที่ไม่มีอะไรแทนได้ยังอื่นจะแทนได้หมดอ่ะเช่นบวชไม่ได้ก็ออกฟิดิยาทำฮัทําฮัทไม่ได้ก็พ้นไปหรือให้คนอื่นไปทำแทนก็ได้ แต่ละมาดี่เราละมาดเมื่อวันนี้ละมาดไม่ไหวกี่มาช่วยฉันด้วยนะโถกีซูโบวันนี้ผมีเกียด ต, ตื่นกีละมาที่ฉันหน่อยกี่บอก <laughs> ตัวใครตัวมันเวยกี่บอก <laughs> เห็นไหมแล้วมาดีแปลกกับเพื่อนเลยตัวใครตัวมันแทนกันยังไม่ได้ mm hmm. เนี่ยสมมตุติอย่างเงี้ยมันน่าจะได้นะเอาล้อแล้วลบมาโอาโหจะตายก็ไม่ตายแหละแล้วน่าจะหยุดสักวันหนึ่งหยุดไม่มีหยุดเลยห้ามหยุดละมาด นะคนหยุดละหมาดมีอย่างเดียวตายตายอะไคนหยุดละหมาดเหลือหนึ่งร้อกระอานะครับซึ่งซึ่งรูปแบบเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าเยอะมากเพราะน้บีก็จะทําตามสถานการณ์คือการละหมาดเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนสถานการณ์ถ้าสถานการณ์ประจันกันอยู่ไม่รแรงมากก็อีสถานอีแบบหนึ่งถ้าโอ้โหมันรุนแรงวิ่งสู้กันฆ่ากันก็หลอีแบบหนึ่งจึงมีหลายหลายรายงานเต้มไปหมดเลมื่อกี้ผันเปิดดูเนี่ย เพียบเลยแต่เอาเข้าจริงไงที่บอกแหละว่ามันคือทฤษฎีในการปฏิบัติพอถึงเวลาจริงเนี่ยน้อยคนนักที่จะได้ปฏิบัตินาะยกเว้นคนที่ออกไปออกรบนั่นแหละแล้วเดี๋ยวนี้ออกรบเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบเจอหน้ากันนี่มันสไนเปอร์หนุนอยู่ไกลๆเป็นกิโลยิงใช่ป่ะหรือบางทีเดี๋ยวมันกดปุ่มปุ๊บจะหลวดไปลงใช้ดโดรนไอประเภทสมัยก่อนที่สู้กันเห็นแขนขาดเห็นคอขาดต่อหน้าเนี่ยไม่มีเล้ว อด่นี้มันอยู่ในฐานบัญชาการกดปุ่มระเบิดไปลงเป็นร่แบบใหม่นะอย่างเงี้ยอยู่ในฐานบัญชาการก็ละหมาดปกติได้ไม่ไม่ห่วงนะอ่ะอันนี้ก็เล่าให้พี่น้องฟังว่าการละหมาดแบบหวาดกลัวนะครับซึ่งอัลลอสุบฮานะหัวตายแล้วก็ลงอายะนี้ลงมานะครับนะเฉ <c oughs> พาะเลยเรื่องการละหมาดในยามหวาดกลัวดังนั้นขนาด ยังไม่ประจันบาลยังให้ละหมาดยะมาเนี่ยนะปาดส่วนหนึ่งนะ 1, ถึงบอกว่าละหมาดยะมาถึงเป็นเรื่องจำเป็นมากขนาดสงครามยังให้ยะมาเลยยกเว้นจะไม่ยามาอย่างเดียวก็คือตอนสู้กันแล้วต่างคนต่างสู้รบแล้วอ่าต่อนะครับอายะที่หนึ่ง์สามหนึ่งูนสี่สกุลุดรออ่ จแล้วก็ย้อน فإذا قضيتُ الصلاة فذكر الله ฟَ่ดคุรุ่น์อัลลอฮ์กิยามัวก و ดอูอัลลาจูนุบิคุมอ่าอีกรอบนะฟาก็ได้ทุก فإذا َِ قضيتُ َ مُصَلَّاتَ ّ ف َ ذ ْ ك ُ ر ُ اللَّهِ فَذَكُورُ ا ل ل َّ ه َ قِيَامًا وَكُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فإذا ต่อมนันตุมฟาอิมุสซาลาอาตรงนั่นนะนูนตายพบตาเป็นอิขฟาอาอิขฟาอย่าลืมหนงเสียง فإذا ต่ เฟอีลาตออ่านข้าไปที่ตัวตอเลยนะเฟะอีลาตอมาเนตุมมาเนตุมเฟอีลาตอมาเนตุมเฟอีอมุมมสลาม อินนั่สลัตกะเนตอัลมุมินินาคิตาบมะอูกุตาอิน ص ل ا ل ทَ่เ على ا ل م นบนผู้ศรัทธาเ و ็นกา ว่าลาติฮิโนฟิบว่าลาติฮิโนฟิบติโกรอิกลตวลติฮิบติโก ฟะอินนาฮุมยาละมูนะกะมาตะละมูนอินตะูนตะละมูนกฟะอินะฮุมยาละมูนกมาตะละมูนอ่าตรงนี้นะจะแปลกนิดนึงเราจะไม่ค่อยคุ้นกับ ตัวอลิฟนะครับส่วนใหญ่เราจะเจอคําว่าตะแหลมูนซึ่งอาริมาเนี่ยแปลว่ารู้แต่อารมตรงเนี้ยตัวอลิฟเนี่ยแปลว่าเจ็บปวดอารีมอาดาบุลอาลีมเนี่ยตัวอะไรตัวอลิฟไม่ใช่อาลีมถ้าอาลีมูนอีกันหนึ่งแปลว่าความรู้พระองทรงรอบรู้ถ้าถ้ามีคํำคาว่าอารีมอยู่ข้างหลังอาดาบเนี่ยจะเป็นตัวอลีฟทันทีนะดังนั้นตรงเนี้ยมันเป็นตัวอลิฟ และอ่านคล้ายๆกับตัวอินเแบบนีบางคนพลาดอินเตกูนูเตเลมูความหมายคนละเรื่องเลยเออคนละอย่างเลยเห็นไหมว่าการออกเสียงมาขรดอกจึงเป็นเรื่องสําคัญเพราะถ้าออกผิดความหมายความหมายเปลี่ยนอ่านอีกรอบหนึ่งนะตะลาโมอ่านแค่นี้นะตะลามูไม่ต้องตะห้ามลงไปที่ตัวตลึกอ่าเขาเรียกอะไรนะตัวอินนะเป็นตัวอาริฟตะลาโม อินตะกูนุตะเลมูนาฟอินนะฮุมยะเลมูนากะมาตะเลมูน ว่าจะรู้นั่น م ากอัลลอฮ์ไม่รู้ว่าจะรู้นั่นจากอัลล ل ฮ์ไม่รู้ว่าอัลลอฮ์เป็นผู้มาอล ามาดูความหมายนะฟอีดาและครั้งเมื่อครั้งเมื่ออีดาแปลว่าเมื่อครั้งเมื่อกอโดอยตูมุสซาลเสร็จสิ้นจากภารกิจละหมาดแล้วจงลำลึกถึงการาล้ำลึกถึงอันล้อมามากหลังจากละหมาดโคฟคือละหมาดเสร็จละช่วงในภาวะกำลังขับขันอยู่ศัตรูไม่รู้จะบุกมาเมื่อไรหรือเราจะบุกเข้าไปเนี่ย อลลอฮ์บอกว่ า, อ, าอ่าอย่าไปคิดเป็นเรื่องอื่นแต่ให้ล้ำลึกถึงอลลอฮ์ให้เยอะๆอให้ล้ำลึกถึงอลลเยอะนะครับในในในคำว่าไฟาคาว่ากอดอยตุ้มเนี่ยแม้กระทั่งช่วงฮัตกอดอยตุ้มมานาซิกะกุ้มจําได้ไหมที่เราเคยอ่านมาแล้วเมื่อทําฮัตเสร็จแล้วให้ล้ำลึกถึงข่าให้เยอะๆอเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยมนุษย์เราเวลา เ, ลาเสร็จสิ้นภารกิจและใจก็มาอยู่อลลอฮ์แล้ว ใจอยกลับมาบ้านนึกถึงยอนึกถึงมะนึกถึงภรรยานึกถึงลูกเอาเราถึงเตือนบอกว่าเมื่อเสร็จภารกิจแล้วไอ้ช่องทำภารกิจในปัญหาเราละหมาดอยู่เรานึกถึงอลัลลอฮ์อยู่แล้วแต่ทอนหลังจากละหมาดไปแล้วเนี่ยนึกถึงอลัลลอฮ์บางเบาเสร็จละหมาดแล้วเป็นไงใจมาอยู่กับอัลลอฮ์เลยก็ไม่ใช่จงล้ำลึกถึงอลัลลอฮ์ให้เยอะๆนะตอนละหมาดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงและเพราะละหมาดใจมันต้องอยู่กับอัลลอฮ์อยู่แล้วแต่นอกละหมาดล่ะละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยอยู่กับอะไร อลัลลอ์จะบอกฟัรกุรฟัรสกูรุลล้อให้ทำการลํำลึกถึงอัลลอฮ์ดีกิดเยอะๆนะกิยามเมาไม่ว่าท่านจะอยู่ในสภาพยืนการวิกุลล้อเนี่ยพี่น้องครับทำได้ทุกทุกอิริยาบถเพราะปากเนี่ยลิ้นมันขยับแต่มือมันก็ไม่ได้แปลว่ามือมันจะล็อกแม่กระทั่งขับรถเนี่ยนะยังวิกรุนล้อได้เลย ขับรถกันที่กรุล้ลอดได้กล่าวไปสิรอว่าบัตอแล้วรอทำดินแล้วรอว่าบัตก็ขับไปไม่เสียสมาธิด้วยแต่ถ้าเล่นมือถือเนี่ยไม่แน่ฉันบางทีชอบดูทืออันนี้เดี๋ยวรถชนอ่าเห็นไหมจะชนเขาไม่ใช่จะชนเขาเออไม่รู้ใครชนใครแต่ว่าชนเขาด้วยแม้กระทั่งซักผ้าในบ้านอย่างนี้บอกเลยซักผ้ารอผ้าปัน่นทําไงดีวะเบือ่อ รีกลุ้นล้อไดอ้คือถ้าทําได้มันดีนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะไปทําอย่างอื่นอดตีตผู้ตรงๆเราก็จะไปหาในฆ่าฆ่าเวลาไปอแต่จริงๆเนะ่ยเวลาที่ที่เรารเราทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถที่จะรีกรุ้นล้อไดอ้เพราะรีกลุ้นล้อนี่ไม่ได้บอกว่าเมื่อรีกรุ้นล้อแล้วทําอย่างอื่นไม่ได้แต่ยังละมาเนี่ยมันไม่ได้ไงละมาไปสักผ้าไปไม่ได้เราก็ต้องหยุดจากการสักผ้า นะละจกละกการสัมผัสธรมาแต่ถ้าดิกุลล้อได้ตลอดขับรถได้ตลอดนะครับกียามเอาจะยืนก็ดิกําลึกถึงอรรถได้กูรูเดาวนั่งก็ได้วะอ่าแลาจูนูบีหิมแม้กระทั่งร่างกายของเราเนี่ยสีข้างของเราเนี่ยอยู่บนที่นอนแลว้วนอนแล้วก็วิกลุลล้อได้มีคนถามอ่านกุฎอ่านนอนอ่านกุฎอ่านได้ไหมไ ด, ด้ทำไมจะไม่ได้ละ่ะก็นอนอ่านไปสิบางคนบอกไม่ได้ถ้ามันไม่ไม่อะไรนะไม่ธรรมัดธรรมแรง ก็นี่ไงก็อ่านได้อ่านกุรานได้นอนก็อ่านได้นอนอ่านได้นะเพราะนาบีเนี่ยให้ท่านยังไงชาแนนอนตักแล้วนบีก็อ่านอ่านให้ฟังนะแต่นิดนึงว่ากุรานหรือตัวของมุชัฟเนี่ยต้องพยายามให้อยู่ในที่ที่มีเหมาะสมคือการอ่านมันออกมาจากปากเราไม่ปัญหาหรอก เราจะอยู่ชั้นใต้ดินกอ่านได้บางคนบอกอยู่ชั้นใต้ดินอย่าอ่านนะมันอยู่ชั้นเลือกต่ำต้องขึ้นไปชั้นสองไม่ใช่ไม่เกี่ยวแต่ถ้าเป็นตัวมุสสาบเนี่ยจะต้องวางให้เหมาะสมนะแต่อาราบเนี่ยบางทีไม่ค่อยไม่ค่อยลึกซึ้งเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ในฉันเห็นตาเลยคนอินเดียคนอาราบจะทะเลาะกันในสที่สุราฮารอมไอ้คนอินเดี ย, ค น, ยกกนาาคนอินเดียมันไม่ได้เนี่ยต้องวางที่สูงมายืนอ่านนี่ นั่งอ่านมันก็เหวยยกอาดาบมันวางกับพื้นเลยวางกับพื้นมันก็อ่านแอมทีมาเอาบรหนุด้วยํานุนหัวเออ่าอินเดียมันก็บอกไม่ได้ไอ้ดาบบอกทําไมอ่ะเสียกันสองคนไอ้ดาวไปหมดจะห้ามเอด้นถามว่าความเหมาะสมก็ใช่นะแต่เขาก็มองว่าก็ก็อ่านเป็นไรล่ะก็วางไว้กับพื้นมันไม่มีแต่ของเรามันต้องมีที่วางขึ้นมาไงมีลาหาวางใช่ไมครับ้านเรามีนมละหาให้เกียรติ อ่ถามว่าดีไหมดีดีแต่ถึงขั้นเขาเขาเหยียดยามกุฎาไมเขาวางกุฎานกับพื้นแล้วอ่านเนี่ยมันก็ไม่ใช่หรอกเขาก็ให้เกียรตินั่นแหละอะแต่วิธีการบางทีเราอาจจะต่างกันนิดนึงอบางคนเนี่ยสอนในกุฎานเนี่ยถือแกว่งกับมืออย่างนี้ไม่ได้ต้องเอามาแนบไว้กับอกเดินอบางคนสอนอย่างนี้เลยนะกุฎานต้องวัดต้องเวลาถือกุฎานนี้ต้องไว้กันหน้าอกเดินไม่ใช่ถือแกว่งงี้ กัแล้วแต่คนโบราณเขาก็อาจจะมีนะแต่ก็เอาแหละเราเค็งทัดกับตัวเราดีกว่าไม่ได้บอกว่าไม่ดีดีกว่าแต่บางทีเราก็ไปมีปัญหาคนอื่นเขาไงไม่ได้เอยไม่ได้ต้องทาเหมือนฉันก็ปล่อยเขาไปออย่าไปทะอก็ะว่ากันไปนะถ้าคือถ้าเจอสมมติเขามาเหยียบกุฎันเออนี่ไม่ได้อใช่ไหมอันนี้ผิดเลยเอาต่อฟออีดัตมะนันตุ้มโอ้ตรงนี้นะ ครั้งเมื่อพระเจ้าปลอดภัยแล้วนะฟะอากีมุสซอลาก็จงละหมาดจงปฏิบัติละหมาดเอาละหมาดยังไงอะอินนัศซลากาตการนัสอัลมุมินีนะกีตาบันเมากูตาแท้จริงการละหมาดนั้นเป็นบัญญัติที่ถูกกำหนดเป็นเวลาของมันให้กับผู้ศรัทธาทั้งหลายคำว่าเมาคูตาเนี่ยละหมาดตามอาเภอใจไม่ได้ต้องมีอยู่ในเวลา อ่าอยู่ในเวลานะคราวนี้คําถามต่อมาว่าถ้าละหมาดก่อนเวลาละหมาดใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ใช่ปะอ่าละหมาดกี่กี่จะจะคูชั่วกคือไงอารอลก็ไม่รับถ้าไปละหมาดก่อนเวลาอ่าก็ไม่ต่างกันว่าถ้าละหมาดหมดเวลาแล้วจะใช้ได้ไหม <c oughs> เอ อ, เอ้อออก่อนเวลาไม่ได้แล้วถ้าหมดเวลาแล้วจะใช้ได้ไหมก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละต่างกันตรงไหนอ่ะก็มันไม่อยู่ในเวลาแต่ มันก็ต้องกอดอใช้ไงประเด็นอืมแต่ปาส่วนหนึ่งอ่ะบอกว่าไม่มีการกอรดอสําหรับคนที่ตั้งใจปล่อยให้หมดเวลาจา ก, ก อ, อใช้ก็มีประโยชน์เลยก็เหมือนคนละหมาดก่อนเวลานี่นแหละก็มันหมดเวลาไปแล้วแต่ให้ตาบัตรตัวแล้วละหมาดสุนัขเยอะๆอันนี้ส่วนหนึ่งนะแต่สําหรับบางส่วนก็บอกว่าเอาไปเลยกอดอไปก่อนเอารถจะรับไม่รับมอบหมายกับพระองค์ก็ดีกว่าไม่ทําเลยอเฮอก็ดีกว่าไม่ทําเลยแต่คนนึงก็บอกว่า ก็ในมันไม่มันหมดเวลาไปแล้วจะไปส่งจะไปละหมาดได้ยังไงก็รถไม่รับแล้วก็ให้ตาบัดตัวไงแล้วก็ทําสุนัตเข้าไปเอ่อคราวนี้ละหมาดอยู่ในเวลาแล้วก็ละหมาดตามกฎระเบียบที่กําหนดเอาไว้เพราะตอนนี้ปลอดภัยแล้วแต่ถ้าตอนที่ยังเป็นสงครามอยู่กฎเกณฑ์ต่างๆก็ถูกผ่อนปนไปเอเลาะต่อบอกต่อว่าแลตาฮิโนฟิบตีกออิลเกอุมนิดแปลว่าอะไร พระเจ้าจงอย่าท้อแท้ในการสแสวงหากลุ่มชนนั้นงงไหมเนี่ยถ้าเราอยู่ดีขึ้นมาปุ๊บสแสวงหากลุ่มชนนั้นอะไรเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอะไรล่ะก่อนหน้านี้พูดถึงเรื่องอะไรอาจจะย่างนิ่งดิเรื่องอะไรภาวะอะไรสงครามตรงนี้ก็หมายถึงว่าอย่าท้อแท้ในการไล่ติดตามศัตรูเออเมันจะต่อเนื่องกันนั่นแหละ มันไม่โดดไปหรอกอย่าท้อแท้ในการติดตามกลุ่มชนหนึ่งแปลว่าอย่าท้อแท้ในการไล่ตามศัตรูถ้ามีโอกาสที่จะกำจัดศัตรูให้สิ้นซากทำเลยเพราะอะไรล่ะเพราะมันคือการยุติสงครามแบบสมบูรณ์เรืองอไหมอย่างถามว่าทําไมต้องมีต้องพิชิตมากาศด้วยก็ปล่อยไว้งั้นไม่ได้เด้อก็ปล่อยไว้มันลุกอยู่เรื่อยเลยจะหาความสงบได้ยังไงก็ต้องให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดชัดเจนจบ ยอมใครไม่ยอมประหารแล้วก็จะอยู่กันแบบยังไงสงบคือสงครามเนี่ยในมุมไม่ดีมันมีแต่ในมุมที่แบบเบ็ดเสร็จแล้วก็คือจบแล้วไงแพ้แล้วไอ้คนที่เป็นศัตรูเป็นแม่ทัพคอมันหลุดไปแล้วแล้วมันจะมาสู้เราได้ไหมมันก็ไม่สู้แล้วมันตายแล้วใช่ไหมดังนั้นในความโหดร้ายตรงเนี้ยบางคนก็มองว่าโอ้โหทำไมต้องประหารคนที่เป็นศัตรูก็ไปประหารมันก็มาสู้ต่อกันแหละมันก็ล้างแค้นกันไปล้างแค้นกันมา มันก็มาฆ่าเราอยู่ดีนะในภาะวะสงครามมันก็ต้องมีเรื่องของการเด็ดขาดด้วยนะครับแต่น บ, บีให้อภัยนะน บ, บีให้อภัยในตอนมักการน บ, บีให้อภัยและก็มารับอิสลามกันนะครับถ้าหากพวกเจ้าฟออินตกูนูตะตะละมูนถ้าหากพวกเจ้าเจ็บอ่าแปลว่าไอตานจะตามไปเนี่ยนะมันจ็บเจ้ไหม บาดเจ็บอยู่หูเธอจะไปตามยังไงเนี่ยแผลก็ยังสดๆอยู่เลยนะอัลลอฮ์บอกว่าไฟอินนะฮุ่มยะละมูนะไอ้ศัตรูที่มันหนีไปเนะี่ยมันก็เจ็บเหมือนเรานั่นแหละไม่ใช่เรามีบาดแผลอยู่คนเดียวเนี่ยเพอเผอไอ้คนที่มันหนีไปเนะี่ยบาดแผลเยอะกว่าเราอีกใช่ไหมเพราะมันหนีเนี่ยพอเผอมันบาดเจ็บเยอะกว่าเราอีกอย่าคิดว่าเราเจ็บคนเดียวเขาก็เจ็บเหมือนกัน บาเจ็บเหมือนกันกรรมตาละมูลเหมือนกับที่ท่านเจ็บนั่นแหละวัตต oh ุจูนะมีนัลลอฮีมาลายจูนแต่พวกเจ้าหวังจากอัลลอฮ์สิ่งที่บกเขาไม่หวังคืออะไรหวังตรง น, นี้ก็คือหวังผลบุญการตอบแทนไงซึ่งคนที่เป็นเป็นเป็นศันตรูกับอัลลอฮ์เนี่ยเขาจะมาหวังผลบุญจากอัลลอฮ์ไหมไม่หวังสิ เขาบารบบารบกับคนดีมีหมาเขาจะหวังอะไรจากอัลลอฮ์ยังไงเป็นศัตรูกับอัลลอฮ์จะหวังอะไรจากอัลลอฮ์ซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่อะไรคนที่รบเพื่ออัลลอฮ์เขาก็หวังรางวัลจากอ AH. ัลลอฮ์วกานัลอฮูอาลลีมันฮากีมาและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณ น, นะก็จบจากอาย่นี้นะครับอันตอนนะครับอายาที่ร้อยห้านะ <laughs> <ality> uh, Inna a n z a l n a i l a y k a a l k i t a babil h a q q อินนาอัลซัลนาอิลอิกลกิเตบิลฮัก ลิทَะขุม ن บ ا ل นั้นนِสบีَ ا <الله> أ َรَ ا กَ ا ل ลَّ ه ะ ขุมะบายนันนัสบีมะอาราะกะลอขุมะบายนันนัสบีมะอาราะกะลอว่าลาตะคุลิลขออน ข้อส ا มาว่าแล้วทุกข์ข้ออินาข้อสีมานอีมา واستغفر الله واستغفر الله, واستغفر, الله واستغفر, الله واستغفر الله، واستغفر الله، إن الله كان غفور رحيم. إن الله كان غفور ا رحيم. ا ولا تجادل عن الذين يختنون أفسهم. ولا تجادل عن الذين ي خ ت ئ و ن أنفسهم إن الله لا يحب منك ขวานอัติมาอิ ن นัลลอฮะยาอิหบุมะน์กาฬขวานอัต ل มาอินนัลลอฮะลาอิยาอิหบุมะน์กาฬขานอัติมา يَسْتَغْفُونَ ยอัตถฟุนจَกหน้าสีและยอُ و ن َ مِنَ ا ل ل َّ ه ฮ จะตั้งฟุนาในนักสิว่าแล้วยัตั้งฟุนาในอัลลอฮ وهو َُ وه معهم ََُ إذ ِ ي ب َ ي ت و ن َ ما لا يرضى من ِ ا ل ك و ِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا โง่สมัยด้วยนะไม่มัมไมกุน ع ل ัมไม่กนอะมาดูความหมายนะครับอินนาแท้จริง อันซันนาอาละกั่นกี่แบเราได้ประทานคำพีลงมาให้แก่พวกเจ้านะเป็นความสัจจริงบิลหักนะคือช่วงที่กุอานลงมาเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าซอบ้านนี่แหละใช้กุอานในการเผยแพร่ศสัจธรรมมีซอบ้าท่านหนึ่งเข้าไปในกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนเนี้ย เป็นกลุ่มชนที่คนดุมากเลยอ่าคือใครเข้าไปไม่ไม่รู้อีโนโนอีนเนนี่นะโดนเล่นงานโดนฆ่าอ่าบอกได้ว่าพูดได้ว่าเป็นเมืองเมืองเขาเรียกเมืองป่าอะไรนะป่าเถื่อนอ่าเป็นเมืองเถื่อนบ้านป่าเมืองเถื่อนเออดีมากเลยครับทำอยู่และแต่บ้านป่าตรงนี้เป็นตึกหมดละตอนนี้ไม่เป็นป่าแล้วเป็นตึกคนกรีดเข้าไปเขาก็ บอกว่าจะมาเผยแพร่ อ, อิสลามโอ้โหพอบอกคําว่าอิสลามปั๊บนี่เขากลวัวเขาเขาเรียกว่ารังเกียจเพราะว่าฟังมาไงว่าอิสลามเนี่ยมันมาทําลายระบบระเบียบอ่าระบบระเบียบต่างๆที่บู่ยาตายายทำมาไว้เสียผลประโยชน์อคนจะมาบูชาจเจวิตก็ไม่มีแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนนี้จเจวิตเนี่ยเป็นเปียบเสมือนเป็นแหล่งให้คนเนี่ยมา แข่งกันสร้างอ่ะเมืองไหนอยากจะให้คนมาก็สร้างเจวิตไให ญ, ให ญ, ให ญ, ใหญ่คนก็เ hey, ฮไปไปขอพรกับรูปปัน้นไปขอพรกับเจวจิตแล้วเวลาขอเนี่ยมันไม่ใช่ขออย่างเดียวนี่มันต้องมีอะไรด้วยมีมีเครื่องเส้นไหว้ได้ตังไหมเอาได้ตังขายพรมลายขายแพ้อ่าบางคนก็ขายแพ้ขายแพ้กินเป้าขายแพ้ชื่อดเอาเลือดสาดเข้าไปรูปปัน้นบูชาอ่า ก็เสียผลประโยชน์เพราะว่าทุกคนต่างมุ่งไปที่เอาล่ออย่างเดียวเลยโมกรขออะไรต้องเดินทางไปขอจากตรงนั้นตรงนี้นะอันนี้พูดถึงสมัยก่อนเนา ะ, นะแล้วก็พออิสลามมาเนี่ยทุกคนประกอบศาสนากิจโดยไม่ต้องเสียสตังพวกเราเสียสตังตรงไห น, นอะที่เสียนี่ก็คือในเรื่องของขนงานศาสนาเช่นไปช่วยงานแต่ละมาดของเราเราก็ละมาดปกติ มีปัญหาอะไรก็ขอกอหล่อเลยไม่ต้องมีเครื่องเส้นไม่ต้องมีเครื่องเส้นแม้ไม่มีอะไรเ อ, อ่ยกมือขอดุทิศกอหลอก่าวสรรเสริญสลาวะ น, นาบีขอได้เลยเ อ, อ่แต่ความแต่ในความเชื่อของสมัยยาฮิริยะเนี่ยจะทําอะไรต้องจ่ายสตังเท่านั้นสตังต้องผ่า น, ต, ต, านต้องมีของเส้นไว้ปรากฏว่างางดาบเจ้าฟันอยู่แล้วทัญญาบอกว่าขออ่านกุฎอ่านให้ฟังสัก สองสามอายาไดไหมสุรสยเดาแหมก็อ่านกูราณานให้ฟังพออ่านกุราณาให้ฟังเท่านั้นแหละดาบตกเลยจากคนที่ใจหิ้มหิ้มใช่ไหมดาบตกเลยพี่น้องแล้วถามว่าไอที่พูดมาเนี่ยอะไรเนี่ยไม่เคยฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนแกแล้วมุนลอกกูราณาไอคนเนี่ยที่เป็นจะฟันเขาตายเนี่ย พอได้ฟังกุราณานรู้เลยว่านี่ไม่ใช่มนุษย์คําพูดนี้ไม่ใช่มนุษย์มาจากใครมาจากมุฮัมมัดขอปฏิญาณตนหลังจากนั้นเดินไปบอกชาวบ้านทุกคนให้รับอิสลามเชื่อไหมสมุนสมัยก่อนเนี่ยพอผู้นําบอกให้เข้าเข้าไหมเข้าเลยคือระบบสมัยก่อนเนี่ยเขาเชื่อมั่นในในผู้นํามากผู้ใหญ่บ้านเนี่ยถามว่าใบธรรมดาในะสมัยก่อนเนี่ยมีดิพนะ่ะคือระบบไว้วางใจคดีสิกก็ไว้วางใจ หัวหน้าเผารับอิสลามที่เหลือรับหมด น, นี่คือเป็นเป็นเรื่องในสมัยก่อนดังนั้นอัลลอฮ์ประทานกุรอานลงมาเนี่ยอัลฮักแปลว่าเป็นจธส ร, รมเป็นความจริงใครเถียงไม่ได้แล้วถ้าเกิดเป็นมนุษย์ที่ประพันธ์ขึ้นมาย่อมมีเรื่องที่ขัดแย้งกันแต่นี่ไม่มีเลยเพราะอันนี้คือเป็นคำพูดของอัลลอ์และกุรอานเนี่ยธรระลีตาคุมะบยนันเส เพื่อให้เอามาตัดสินระหว่างผู้คนบีมาอัลอฺกอโลตามที่อัลลอฺฮฺได้ทรงให้เจ้าทราบมาเดนเนก็คือตามที่อัลลอฺฮฺให้เจ้าทราบแปลว่าอะไรแปลว่ามนุษย์เราเนี่ยรู้จากที่เห็นเท่านั้นแหละแต่ที่ไม่เห็นจะรู้ไหมไม่รู้เพราะมันมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งปรากฏว่าตอมมาเนี่ยชื่อตอมมา บินอุบายริกขโมยเสื้อกเกาะของฉันไปขโมยเสื้อกเกาะไปเมื่อผู้ผู้ที่ขโมยหินดังกล่าวเนี่ยรู้แล้วมีคนจับได้เว้ยแต่มันวิ่งหัวมิ่งดิดด่ดิก็ไม่รู้ไอจังหวะที่ขโมยตามกันอยู่ไล่ตามกันอยู่เนี่ยพอละสายตาก็โยนเสื้อกเกาะเข้าบ้านอีกคนหนึ่งไอบ้านนั้นเป็นไงซวยเลย ของกลางมาอยู่ที่บ้านฉันก็ต้องเป็นคนในบ้านนี่แหละเอาไปก็ถูกตัดสินคนในบ้านถูกตัดสินจ้ะวันนี้มีเมนูพิเศษใช่ไหมเนี่ยอรตีหมด้วยละอ๋อจ่าเนี่ยพอเห็นโรตีอยากจะหยุดเลยเนี่ยไอ้นิดนึงนะ ก็โยนเสื้อเกาะเข้าไปบ้านหลังนั้ไอ้บ้านนั้นก็ซวยเลยเหมือนโดนยัดยาบ้าประมาณนั้นน่ะเหมือนโดนยัดยาบ้าของของกูก็ไปช่ยทำไมมาขออยู่ที่กูอะประมาณเนี้ยคราวนี้ก็ทุกใจมากเลยถูกตัดสินไปหาท่านนบีนบีจ๋าฉันเป็นผู้บริสุทธิ์นะจ๋าฉันไม่ได้ทํานะไอ้ัดนเป็นขโมยมันมาโยนของใส่บ้านฉันเอาล็อก็ประทานกุฎานลงมาทายาประทานกุฎาญอัยยะนี้ลงมาว่า กูไ อ, อานน้ำมาตัดสินแต่มนุษย์ตัดสินเนี่ยตัดสินตามอะไรตามที่เห็นไงไอความเป็นจริงยังไงเนี่ยไม่รู้หรอกแต่มาเจอของกลางไงตำรวจเขาว่าไงกับไม่รู้อะ่ะยาบ้านเต็มกระเป๋าคุณเลยก็ตามนั้นแหละจะโดนยัดยาหรือเปล่าก็ไม่รู้อแต่ถามว่าสมมติโดนโดนตัดสินไปเนี่ยเขาก็ถือเป็นผู้ที่ถูกอาธรรมถูกปะ่ะแต่ถ้าโดนประหารไปสมมุติโดนประหารเลยเนะย อัลลอฮ์ก็จะให้เขาเนี่ยได้รับผลบุญในวันกิยามานั้นคนที่ถูกอาธรรมเนี่ยถูกกันแกล้งจากกฎหมายเอย่ยถูกคนยัดยาให้ถูกฟ้องไม่ต้องห่วงหรอกว่าเราจะขาดทุนหรือเสียเปรียบเราเสียเปรียบโชว์ดุนยาแต่ในโลกหน้าเนี่ยอัลลอฮ์ให้ความยุติธรรมกับเราอยู่แล้วแต่ยังบอกว่าเราจะไปโทษเขาก็ไม่ได้ก็มาเจอเสือ้อเกาะอยู่ในบ้านกแก่ไล่คนทํามันก็ไปไหนลูก หลักฐานเพาะหมดอ่ะก็ต้องตัดสินตามที่เห็นนี่แหละแต่ไม่ได้เหมายความว่าสิ่งที่ตัดสินที่าการตัดสินเนี่ยจะถูกเสมอไปบางครั้งก็มีแพ้บางครั้งก็ไม่ถูกก็เหมือนกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลวันกิยามัดเอาลอดจะคืนความยุติธรรมให้หมดนะก็สุดท้ายขอบควรวนี้ก็ต้งรับไปอ่ะนะก็เรื่องหลักอายันนี้ก็ลงมาอนะก็คือเป็นบทผู้ยังไงก็เป็นบททดสอบอย่างหนึง่งนั่นแหละจะต้องบางทีไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยพวกมาโดนไปด้วยอะไรไปด้วยอย่างเงี้ยนะ เอออันนี้ก็เป็นเป็นข้อเตือนเราเวลาตะกุลลินคออีนี่นะคอซีมาและเจ้าจงอย่าได้เถียงแก้ต่างกันให้แก่บรรดาผู้ที่บิดผิวทั้งหลายถ้าเกิดสมมุติว่าคนผิดหลักฐานมาัดเจนีนเห็นชัดเจนตำตาเลยก็อย่าไป อ, ไอย่าไปแก้ต่างไป ไ, ไปพยายามบิดเบี้ยวความจริง เนี่ยพกมาเนี่ยเป็นอะไร เ, เป็นไอซ์เฮ้ยไม่ใช่เรกแป้งมันคือแป้งอีเดียไ <laughs> ม่บอกยังไม่ได้ก็มันคือมันคือยาเสพติด ก, ก็ต้องบอกมันยาเสพติดจะไปแก้ตัวแก้ตาบินผิวไม่ได้นะเออเนี่ยอย่าบ้าชัดเลยอ๋อพกผาราจานี่ผาราพาราอะไราวะ <laughs> เวอสตอรฟิริลล์อ่ะอลัลลอฮ์บอกว่าเจ้าจงขออภัยโทษต่อรอดเถิดแอดซึงบางครั้งการตัดสินของมนุษย์เนี่ยมันก็มีข้อจำกัดขออภัยโทษต่อรอดนะหรือเราถูกอาธรรมเราถูกแังแกก็อย่าลืมขออภัยโทษต่อรอดอินนัลลอฮะกานอกูฟูรอดรอฮีมาแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยและทรงเมตตาเสมอ ว่าจะจะดินอัน ن ี้แหละที่น่ะทักทานเรอันฟุสหุมอัลลอบอกว่าและเจ้าจงอย่าได้โตเถียงแทนบรรดาผู้ที่บิดผิวต่อตรงเขาเองแท้จริงอัลลอฮ์นั้นไม่ชอบผู้ที่บิดพิวและผู้ที่ทำบาปและอยู่ให้บุมมันกานะเขาว่านั้นอาซีมาคอนตรงนี้ก็แปลว่าบิดผิวไม่ทำตามสัญญาคือเราก็ต้องเขาเรียกว่า อะไรผิดก็ว่าไปตามนั้นอะไรถูกก็ต้องตามนั้นอย่าได้เปลี่ยนแปลงบางทีเนี่ยเข้าข้างไงอันนี้มันลูกเราอ๋อลูกเราไม่ผิดอะอะถ้าลูกคนอื่นผิดหมดประมาณนี้ไม่ได้นะจะเป็นลูกเราหรือจะเป็นใครก็จะต้องตัดสินในยุติธรรมซึ่งมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในสมัยท่านนาบีมีผู้หญิงคนหนึ่งเผาจำไม่ได้ละอะไรคูซามาอะไรเผาสัเผานึง เป็นเผ่าเขาเรียกว่าเผ่าหญิงสูงสักเป็นตระกูลใหญ่โตเลยเป็นตระกูลสูงสักเลยไปขโมยของพอไปขโมยของก็ถูกจับได้ก็ถูกฟ้องขึ้นศาลศาลก็ตัดสินมาว่าต้องตัดมื อ, อโดนตัดมือแล้วอันนี้ยอมความไม่ได้นะพอตัดสินมาแล้วนี่จะไปต้บัตตัวไม่ได้แต่ถ้าถ้ายังไม่ได้มีการฟ้องร้องเนี่ยเคลียได้อันนี้คล้ายๆมันคล้ายๆกับกระบวนการตํารวจเราเนี่ย ไก่เกียร์กันดิถ้าขึ้นฟ้องปุ๊บต้องดําเนินการตามตามนั้นเลยก็ต้องตัดมือแต่สมมติเอ้ยมาหยิบของฉันฉันคืนนะขอมาอัพเาจาะไม่ยอมไม่ได้ฉันต้องไปแจ้งศาลศาลตัดสินตามนั้นนะแต่ถ้าเกิดสมมุติศาลตัดสินแล้วจะมาโอ้เยอะไม่ได้ไม่ได้ไไดละเพราะว่าถึงขั้นพิพาทศาแล้วไงตัดสินแล้วก็คือจบคราวนี้ตัดมือเพราะตัดมือเสร็จก็ ไปให้อุซามาบินเจดซึ่งเป็นหลานเป็นเจดเจดบินฮาริซาเนี่ยเป็นใครเป็นเป็นลูกเลี้ยงนบีเป็นลูกเลี้ยงนบี น, น, บ, นบีเลี้ยงมาตั้งต่เด็กๆ เ, เ, เลยแล้วก็อุซามาบินเจดก็มีลูกอัครทอดีเจดบินฮาริซาก็มีลูกชิลซามะกโ็โหนบีก็รักอีกเป็นเด็กที่อยู่ในบ้านก็โตขึ้นมาแล้วเป็นคนที่เจริ่งเจราจาก็เลยไปเจราจาบอกว่านาบีจา๋า ปล่อยได้ไหมสักคนหนึ่งเ อ, อเขาให้มาเชียร์โอ้โหน บ, บีเปลี่ยนสีหน้าเลยแต่ บ, บีบอกเลยเนะี่ยกลุ่มชนก่อนนี่เนี่ยไหญะนามากระเพาะพวกนี้แหละคนมีอำนาจคนมีสตังไม่ติดคุกไม่โดนลงโทษมีวไว้ขังเฉพาะคนจนคนไม่มีอำนาจเท่านั้นอันนี้อันนี้ฉันพูดกันพันได้คุกกันนะหมายถึงว่าการตัดสินจะเกิดขึ้นเฉพาะคนที่เป็นคนเล็กๆคนน้อยๆคนดอนแอร์ส่วนคนมีอิทธิพลไม่โดน นะและก็เลยบอกเลยว่าถ้าลูกสาวของฉันเนี่ยฟติมาเนี่ยเป็นคนขโมยเนี่ยฉันนี่แหละจะเป็นคนตัดมือด้วยตัวฉันเองนี่คือความยุติธรรมของท่านนาบีนะไม่เขาเรียกว่า ไ, ไม่ไว้หน้าเลยใครที่ทําผิดก็ต้องโดนนะครับจะมีส ถ, ถานะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณโดนทั้งหมดแม้กระทั่งลูกสาวท่านนบีท่าน น, า บ, า น, นาบีบอกถ้านางขโมยฉันก็เป็นคนตัดมือเองเลยนะซึ่งท่านนาบีเป็นพ่อนะฮะเอเลาะบอกต่ออายะที่แปดว่าพวกเขาจะปกปิดให้พ้นจากมนุษย์ หมายถึงคนทำทาชั่วนะทำไม่ดีเนี่ยยัสตอฟูน่มินันนาสอัลลอ์เขาจะพยายามปิดบังสายตาให้พ้นจากมนุษย์ไวเลยัสตอฟูน่มินัลลอ์แต่แน่นอนว่าเขาไม่สามารถจะปิดบังอัลลอฮ์ได้เหมพวกเขาไม่สามารถจะปกปิดให้พ้นจากการรับรู้ของอัลลอฮ์ได้นะโดยที่พระองค์เนี่ยอัลลอ์บอกว่า วัวหัวมาหุมอัลลอ์เนี่ยอยู่กับพวกเขาคำว่าอยู่ตรงนี้หมายถึงอะไรความรู้การเห็นของพระองค์การการรับรู้ขององค์เนี่ยอยู่กับเขาตลอดนะอิสยูยู่ใบตูน่มาลายาดอมมนันกูลมีนันกลซึ่งคำพูดที่พระองค์ไม่พอพระทยอขอโทษทีขอโทษทีโดยขณะนั้นเนี่ย เขาก็วางแผนกันในตอนกลางคืนปิดไฟมืดเลยวางแผนไม่ดีคิดทําไม่ดีคิดชั่วเนี่ยอย่าคิดว่าไม่มีใครรู้นะคือคนน่ยไม่รู้หรอกแต่เอาลออรู้ในแผนการตรงนี้ซึ่งคําพูดที่พระองค์ไม่ทรงพอพระทยเลยซึ่งเป็นคําพูดที่เอาล้อไม่พอพระทยและอัลลอฮ์นั้นทรงล้อมสิ่งเหล่านี้ที่พวกเขากระทำเอาไว้นะล้อมเอาไว้ก็หมายความว่าหนีไม่พ้นไงล้อมเอาไว้แล้วนหะนียังไงก็ไม่พ้นไอ้สิ่งที่เขาได้ ทำลงไปแม้ว่าจะไม่มีพยานหลักฐานเลยก็ตามวันนี้กาลังไปบอกว่าอิสลามของเราเนี่ยมันเหนือกว่าหลักฐานทางด้านอะไรนะทางด้านที่เขามนุษย์ใช้พิจารณาเพราะว่าเราเนี่ยมีความกลัวอยู่ในหัวใจอ่าหรือเขาเรียกว่ารู้อยู่แก่ใจบางคนเนี่ยถึงขั้นเขาบอกว่าก็รู้อยู่แก่ใจนะอ่าบางทีไม่มีหลักฐานจะทำไงได้ก็รู้อยู่แก่ใจก็ขอให้ต่างๆเขาว่างกันไปให้มันตามอะไรเงี้ยนะก็คือขอต่อๆ ล, ล่อให้ล่อจัดการแม้ว่า ไอสิ่งที่เขาทำจะไม่สามารถจะใช้กระบวนการทางด้านกฎหมายจัดการได้แต่ก็รู้อยู่ในใจว่าคุณทำอะไรลงไปนะเอาต่อมาอที่เกอายะสุดท้ายนะครับอยายะที่เก้รอยเก้าแล้วบอกว่าฮาอันตุมฮาอุเลจาดันตุมอันหุมฟิลไฮยตทิดดุนยาอัอลวาว่าเพึงทราบเถิดว่าพระเจ้านี่แหละที่เถียงแทนพวกเขา ในความเป็นอยู่ในโลกนี้แปลว่าอะไรคือคนเราเนี่ยถ้าไม่ยอมรับผิดพยายามบ่ายเบียงกบเกือนต่างๆเนี่ยเพราะเขาเห็นความสำคัญของใครของโลกนี้ไงเขาก็จะทำทุกอย่างให้โลกนี้เขาไปไงเ้ารอดไม่ต้องกลับมารับโทษอะไรสักอย่างทั้งนั้นที่ทำผีแล้วนะก็พยายามใช้ทุกอย่างที่เขามีอยู่เปลี่ยนข้อเท็จจริงต่างๆ เพราะเขาเลือกความเป็นอยู่ในโลกนี้อัลลอฮ์าถามต่อว่าฟอร์นอยู่จะดิลุลลออันหุมเยามั่นกิยามะและถ้าเกิดไปในวันกิยามะจะมีใครเถียงแทนเจ้าไหมอำนาจต่างๆที่ใช้เส้นสายทุกวันนี้ระวันกิยามะจะเอาเส้นสายที่ไหนไม่เหลือแล้วโอ้โหพี่น้องกินใจนะในดุญยาเนี่ยคุณจะมีอำนาจบาดโตขนาดไหนมนุษย์หน้าไหนที่เป็นคนรู้จักคุณเขาช่วยเหลือคุณหมด เฉพาะดุนยาเพราะเขาเลือกความเป็นอยู่ในดุนยาแต่ในวันกิยามัตเนี่ยคุณจะเอาพวกนี้มาช่วยคุณได้ยังไงไม่มีแล้วไอ้นั่นไอ้คนช่วยวเผื่อแย่กว่าเราอีกเย่กว่าเราอีกไอ้นีช่วยเราเนี่ยแย่กว่าเราอีกแปลว่าในวันกิยามัตเนี่ยตัวใครตัวมันและใคระ่ะจะช่วยเจ้าหรือจะเถียงแทนเจ้าในวันกิยามะอ๋ออัมมัญยาโกนูอัยไหิมวาคีลาหรือใครเล่าที่จะรับมอบหมายให้เป็นผู้ที่คุ้มครอง รักษาเจ้ามีใครไม่เห็นทําทหน้าที่รักษาเจ้าได้อา้าวในดุนย า, า จ, จะมีคนนั้นมีอิทธิพลไปอยู่กับเขาเขาอาจจะดูแลรักษาดูแลความปลอดภัยให้แล้ววันกาาเกียรมัตต์แต่เกยจะไปหาใครมาคุ้มกุ้มกลาเออนี่กันเอาเราพูดเอาไว้เนี่ยกินใจไม่มีแล้วนะดังนั้นในในในดุนยาเนี่ยนะครับความยุติธรรมไม่ร้อเอซ็อย่างที่บอกเนาะความยุติธรรมไม่ร้อเเซนคนมีอิทธิพลก็รอดทํากี่คดีก็รอดแต่ไม่ต้องห่วงนะ เอารถจัดการให้หมดอและคนที่ถูกซอยลิมก็อย่าคิดว่าเราจะสูญเสียอะไรไปแต่เอารถจะทดแทนให้ในวันกิยามะนะเพราะเผือโดนคดีกันไม่รู้เรื่องไม่รู้ตัวไปเซ็นมม่ๆโดนไปอ่าเราก็โดนประนามหยามเหยียดดีกว่าก็โง่ไงไปเซ็นเออก็ไม่รู้ไงไอคนโอนไปให้เขาีจะรู้ไหมก็ไม่รู้โดนหลอกอ่ะคนคนโดนหลอกจะรู้ไหมล่ะก็ไม่รู้ไงอ่าเราไม่โดนมากก็ไม่เป็นได้นะเออ ก็ประมาณนี้นะครับซูบฮานะกัลลอฮุมเม่อูบิฮัมดิฆ่าชุดอัลเลออิเลฮะอิเลอันตาสตาฟิรุก้วาตูบิไลอัสสลามอานีกุโมรอมะตุลล้วบาระกะตุ